วางกันไปมันก็ไม่หลับนะระว่างกันไปมันจะตื่นนะระหว่างกันไปใส่ใจกันไปมันจะตื่นเพราะหลงไพัจะตื่นมเลยเพราะหลับพับตื่นมาเลยบางทีจะไม่หลับเป็นอาทิตย์ก็มีนะแต่ว่าไม่เป็นไรอย่าไปต่อใจนะต่อใจไม่ต่อใจก็มาแล้วเจวันจริงนะมาเจ็ดวัครั้งแรกหาเจวันไม่ได้หลับไม่ไม่ไม่เป็นไรถ้าถ้าถ้าเป็นหลับเพ้าไม่ได้ปรุงแต่งหลับเพราะมันตื่นเพรู้สึกใจไม่เป็นไร ถ้า light, and หลไม่หลับจากการปรงแต่งมันหมพลังงานถ้าหลับจากความรู Atlas ้สึกต well> ัวเนี่ยถ้าไม่หลับจากความรู้สึกตัวมันจะแบบแต่นี่หลับกพราะปรุงแต่งนะไม่หลับเพรปรุงแต่งผู้มนจิดอยากถืมันหลอกเพราะปรุงแต่งคิดฟุ้งซ่านอัดเครื่องไอนั้นแล้วนั่นไม่เลยพอเสร็จแล้วแต่ว่าการหลับหรือไม่หลับเนี่ยอย่าอย่าให้มีอะไรต่อไปถ้ามันไม่หลับก็เป็นเรื่องของมันไม่หลับ ก็อยากไปกังวลแต่เออฉันนอนไม่หลับฉันเป็นยังงนั่นอะเลยไม่หลับท่องอะไรแต่ว่าอยากจะคิดว่าจะนอนไม่หลับเราก็ใช่ถ้าคิดมาไม่หลับก็ยิ่งนอนไม่หลับคิดอยู่นั่นแหละผคิดคิดไปแล้วมันก็จะสมองไปเรื่อยมันจะเป็นมันจะเป็แต่ว่าเช้าก็ตื่นได้ทําได้ทุกอย่างมันจะตึงไปเรื่อยๆตอนที่อยู่ที่วัดนะคะแตนี้ไปปฏิบัติเนี่ยก็เดินจมกอมทุกวันมันก็เริ่มรู้เองพอเดินไปก็รู้เริ่ม เริ่มรู้สิว่าไม่ไม่เพ่งที่เท้าแอืวให้รู้ว่าเรารู้มาดูดูความคิดเห็นความคิดที่มันมาเรื่อยๆแล้วก็พอเหความคิดมาก็มาเพ่งที่ปลายมาเพ่งที่เท้าความคิดมันก็หายไปก็ไปไปไปเยอะเผลอเผเพ่งมากๆมันหลงไปรักคิดรักคิมันจะหลงไป ม, มันลงมันจะดืทีนี้พอเดินไปมากๆมันนิสัยที่เคยตัวชอบกินแมันก็ขอแบ่งที่สองอเจ็สิบก้าก็เขียวที่สองยเก้า็เลย <c oughs> <c oughs> มันหรือว่ามันมีปัญหาหรือพ่อมันมีปัญหามันอยากจะคิดห่อเอาก็แบ่งเลยพี่ตรงนี้ถึงนู้นเช่นเช่นจะเพลงแบบพี่ตรงนี้เชนไม่เพลงหนูเป็นฝอยจะคิดไม่ต้องแบ่งนี้ให้ประสบการณ์มันจะคิดก็ให้มันคิดลงมาไม่ต้องกําหนดให้มันคิดตรงนั้นนั้น รู้ตรงนี้ไม่ต้องนะมันจะเชื่อตัวรู้มันจะมันจะดีต่อเมื่อมันคิดเรารู้ทันกันรู้ทันความคิดรู้ทันแล้วเขรู้ทันแล้วมันจเขาจะคิดเราจะคิดเขาคิดมรนหยุดเขามาลู่กําหนดลู่ต่อไปเอาทีมันก็ลงไปอย่้ไปเขากับมานี่หมาทําอย่างนี้เขาังเองมันอยากจะคิดมันอยากจะคิดก็ถ้าจะคิดก็คิดเรื่องอะไรคิดได้ คิดเรื่องเก่าแตอต้องยงเงิสร้างจังหวะทั้งคิดเห็นไม่ได้นะแต่คิดก็ลําดับลำนำเล็กๆได้น้อยการคิดก่อใช่ความคิดหลังมันจะคิดหลาเอาไปมามันก็ไม่มีเรื่องอะไรคิดแบบก็อย่าตั้งใจคิดจริงๆหแือโดยคิดที่ไม่ได้ตั้งใจมันเอาดีแล้วกันตั้งใจจริงๆมันไม่ขล้าคิดเหมือนเรางพสมัยก่อนจะมีปบบนั้ โอ้ยปฏิบัติไปมันความคิดตามพอจะประกาจะไม่เขียนเขียนไม่ออกเลยไม่รู้วจะเขียนไแต่ถ้าเป็นชิ้นหู้อันนี้เขไม่เคยมีใครพูดพูดอย่างนี่ก็ไม่เคยมีใครพูดน่าจะเขียนไหมพระมาจับปากาเขยนนเขียนได้สองคำบไปน่ะนนี้พอพยายชักปฏิบัติมากนี่ไม่ได้อยู่เลยเดินจงทุกวันไม่ได้มันชักมึง มันมองไม่เห็นแต่เดือนตุลามามองมองไม่เห็นแล้วว่าไอ้กายกับจิตมันไม่แยกแล้วมันมุนมแต่มันก็ไม่คลิกเนี่ยแต่ว่ามันมุนมมันหาหาหลักเกาะไม่ได้อือั้นมันมันเข้าประโยชน์ก็บคาอันแบกคารวาทีรู้อันนัมัมันไม่ได้เป็นอะไรมันจะเห็นมันจะมุนก็เห็นมันไม่ไไม่ใช่หาทางฟอมรู้สุกตัวแต่มันไม่ได้เห็มันเหนียวทุกอย่าง ่าไป่าไปทำจนเพ่งจนด่าลูกอันนู้นอันนู้นจนหาละเรื่องที่จะออกหาเรื่องตายเป็นเพลย์แลนด์อะครยังไงก็ไม่เป็นสรทำใจสบายๆรู้เฉยๆรู้เฉยๆจะอย่าไปลูกผหาคาตอบจะไปลูกพู้หาคำตอบจะ <c oughs> หาคาตอบคําตอบที่เกิดจากหาความคิดตอบจากความคิดเนีไม่ได้แน่นอนบางคนหาคาตอบจากความคิด มนันจำเงินเลยคืออย่างนี้หลวงพ่อตัวโยมก็คิดว่าถ้าเราฝึกแล้วเนี่ยตอนที่ตอนที่ตัวเองมีอะไรที่ทกระทบใจมากๆมาที่น<ม>ี่แล้วก็เพระอาจารย์สรงสิทงท่านสอนแล้วเราก็ดีใจว่าเนี่ยเราได้หลักแล้วเอาไปปฏิบัต<ม>ิดีใจแล้วที่ได้รับเมื่อก่อนมันวนอยู่ความที่ว น, นอยู่อ่างปลามันหาทางออกไม่ได้เราคิดอยู่อย่างงั้นแหละคิดเป็นเดือนไม่ต้องนอนต้งเดือน พอหาข่าวไม่หลับเป็นงานพอพอพอปฏิบัติหนี้ก็นอนที่นอนหลับเนี่ยก็คิดอย่างเดอะไรมาไม่คิดเสร็จแล้วเรายังมีภาระที่ต้องทําเยอะเราก็ทําอย่างเงี้ยเราก็กัะไว้แต่กลางคืนนอนมีอยู่ระยะหนึ่งที่นอนแล้วตื่นขึ้นมาตกใจ <Okay. S 1> หลายทืนติดๆกันแล้วก็ มาดูความที่ว่ากลัวอะไรทำไมถึงกลัวทำไมถึงตั้งนั่งที่นอนหลับแต่จะต้องภวาตื่นขึ้นมาตอน 4.3 แล้วตกใจทุกวที่วัดไม่ที่วัดที่บ้านมันจะตกใจอย่างนี้ทุกวันก็บอกว่าเอ๊ก็มานั่งนี่กลัวอะไรจิดมีกลัวก็หาไม่ออกหาไม่รู้ว่ากลัวก็เลยไปเด็ะก็ไม่เอาจ้าง ก็ไปเดินจงกรมถึงเวลาตีห้าก็ไปเดินจมกรมมาเดินเดินเดินเดินเดินมันก็ผุดขึ้นมาเองเรากลัวอะไรมารู้ขึ้นมาเองว่าเรากลวมารู้ว่าเรากลัวไม่อะไรไม่มีอะไรที่กลัวถ้าโดนแล้วไม่มีอะไรก็ยังกลัวอยู่เนี่ยยังกลัวกลัวอะไรต้องหาคำตอบไมได้มันเป็นเองมันมันมันหาคําตอบได้แล้วแต่ว่า ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะถ้ายังไม่ได้ฝึกเนี่ยสิย่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเหมือนคนบ้าหรือกลัวแต่พอฝึกแล้วมันไม่กลัวมันก็แต่จะบอกว่ามันไม่กลัวก็ไม่ใช่มันเหมือนแต่ว่าเรายังกังวลยังกังวลเราเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อหลีเฉยเฉย <laughs> พอคิดขึ้นปุ๊บหยุดคิดหยุ ด, ดไม่คิดเหมือนก็ หลอกตัวเองปฏิเสธหลอกเธอเพราะว่าไม่คิดเนี่ยไม่ไม่คิดพอเราลูบความคิดปุ๊บเราเรารู้ความคิดนี่คือความกลัวของเราแต่เราไม่ได้แก้ตรงนี้เราหนีแตเราหนีมันเราทิ้งพอเรารู้ปุ๊บเราทิ้งเราก็ติดเราก็แต่ไม่ไม่กลัวแต่จริงๆแล้วเราหลอกตัวเองเพราะปัญหาตรงนี้เราไม่ได้แก้ปัญหาความกลัวแก้แก้อะไรท่านูแล้วก็ถิวแกิว่าแก้ไเ้แก้อะไร มันเป็นเรื่องแก้ในอน า, นาคตที่ต้องอใช้ความรู้แก่บองทีบาทีเนี่ยเขากา็ถือลู้สึกเชยเนยมันก็หลุดแล้วมันก็พ้นก็ได้ลู่สึกล้เชยมาเทนะ่าไรก็รู้สึกเชยถ้าเป็นถ้าเป็นความกลัวที่มันเกิดจากกลัวสังขารการเป็นกลถ้าเป็นการเนงานที่ข้างม้าก็ต้องทําต้องทำอํำ ต, ต้องทําไม่ใช่ว่ามาแค่ด้วยการสร้างน้นหมด เรายังไม่ปวดบานเราไม่แรงกันมาสร้างกันหมดนะยิ่มาจากเรือนน่องของเงอย่างเงินที่เป็นรภพจะทำต้องทำไม่โรคไม่ข้าวไม่เวลาไม่ยังไม่ถึงเวลาที่ทำเป็นเรื่องของอนาคตมันเป็นเรื่องของ อ, อนาคตกลัวซะก่อนเราก็กลัวมันซะก่อนแต่ไปคิดอะไรทาง อ, อนาคตมันทํามันก็เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเรื่อง ความเป็นบางตายของชีวิตแต่เราก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ยังไม่ปฏิบัติตัวมันจะก <c oughs> ลัววันแรกที่รู้ไปถึงตรงนั้นนะ่ะแต่แต่นั่นแต่นี่เราก็พยายามให้ตัวเองสงบให้จิตสงบโดยทํากรรมฐานเดินจันทนมแต่ว่า <c oughs> ใจก็คิดว่ามันหลอกเราเหลอกเราเหลอกตัวเอง เขาบอกทีเขาบอกอะไรเรามีความรู้สึกตัวค่ะเรามีความรู้สึกตัวเพื่อไม่ไม่อยู่แบตรงนี้เขาคิดว่าเขาทิ้งตรงนั้นแต่ทําไมวันหลังก็ยังคิดตรงนี้โอ้กลัวตรงนี้อีกใช่ออมันก็เป็นอย่างนั้นมาเท่าไหร่ก็ไม่รับที่ที่กรที่เกิดขึ้นจริงๆตอนปฏิบัติที่นี่เสร็จกลับบ้านไปลูกหายไปสี่วันวันที่หนึ่งเราก็ดูแล้ว เดี๋ยวก็ไปนู่นไปนี่เดี๋ยาก็กลับมาเราถ้าเป็นวันแรกก็แหกปากร้องไห้แต่กับวันแรกแต่นี่ก็สงบอืเดินจงกรมหร่อเขาก็กลับมาหรือหาว่าติดเต่ายัางไงวันที่หนึ่งก็ได้ไม่กลัววันที่สองก็มันไม่กลับมาก็กลัวแต่ว่าทําศิลให้สงบได้ก็เดินจงกรมไปแตดความทุกขวันที่สาม ถักก่อนแขกมันพี่สีแกฟาหมดแกเอาแล้วลูกไม่ก็บหลุดเลยหลุดหมดเลไอที่ทามันทาไม่ได้แล้วบโอ้ไม่ใจแล้วแม้แการที่มันหลุดออกไปมันทุกข์มันโหออกมากับการที่สงบละอะไรมันจะสิ้นส่วนไล้งเมเราก็สัมผัสที่เราเห็นการเนไมเ็นม่พมันจะกลับมันไม่กลับขึมาทีนี้เหตุที่เราใจ้อะไ ถ้ามันมีมันต้องกลับนี่มันกลับมาแล้วก็มันเป็นมาขณะที่มันไม่กลับเราก็ไม่นเป็นมาให้มันสมาเสมอไปไปโฮไปโคจนต่อยตัวหมดเนื้อหมดตั่แล้วมันก็ไม่ใส่จริงๆค่อยอย่างนี้เราต้องฝึกนะฮะมันเป็นการต้องฝึกเช่นต้องฝึกสิเอาจะเป็นยังไงก็ไม่เป็น้วเราดะอยู่ตรงนี้ อะไรจะเกิดก็เกิดอยู่ตรงนี้มันกตรมยากมันยากไไปเถอะนะแต่ว่าอย่าไปอย่าไปถือว่ายากก่อนยากง่ายของยากเราไปตั้งความคิด้อใช่หหลวงพ่อไเหมือนอย่างเรานอนไม่เรานอนไม่หลับคืนนี้จนอนไม่หลับคืนนี้ฉนอนไม่หลัคิดว่านอนไม่หลับมันก็เลยคิดว่ากินไม่ได้กินไม่ได้ไม่เป็นไรนอนไม่หลับไม่เป็นไร โลกเด้จากบ้านก็ไม่เป็นไรโลกมาก็ไม่เป็นไรสภาพติดเขาต้องนั่งตรงสมาเนเพราะว่าที่ไม่หวั่นไหวเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิทำจิตให้มีทำจิตมันจะมามันไม่ได้มาแล้วจะไปคิด่อนให้มันมาต่อเให้มันไม่ได้มาเขาก็ม่ลูกอย่างแค่ตัวอย่างนะลุงข้อญาติลุงข้อหน่ะของลูกสาวอยู่กรุงเทพเป็นอาจารย์ทำงานกระทรวงเกษ เก็คิดห่วงก็ชวนสามีของเขาสามีขเขาอ น, นอนก็หลับเลยแต่พ่อพ่อพ่ อ, พอนอนทำไมมันหลับเลยไม่คิดของโลกของเจ้านเลยฉันนอนไม่หลับฉันคิดห่วงพาฉันไปนะพาฉันไปหาโลกกันก็พาไปพอพาไปไปถึงกรุงเทพเนี่ยสองสามท่มแล้วโลกก็ปิดบ้านแล้ว เข้าประตูวานหละนอนให้ลงก่อนคนตีสองลูกสาวกลับมาตีสองพอถามทำไรเปีนนางมันไปไหนมาฉันไปเต้นไอผอวสาคิดถึงกาแอะไรนะพอลูกว่าไปเต้นมาโอ้โหผัวสาวคิดหมองไปดไงเข้าจผิดไปละที่เราคิด ไปยังไม่แต่ว่าเรื่องไม่ไ ม, ไมีอะไรเกิดรูปเต่าเขาก็โตแล้วเขาก็ไปเขาก็รู้สั ก, กเขาก็เอาตัวรอดได้แม่จะเข า, เาตัวรอดไม่แล้วก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ตัวเราเขาก็เราก็เหมือนกันอย่ไปคิดอะไรกันเรื่อว่าเป็นก่อนเป็นคิดก่อนคิดมันก็ไม่ใช่เหมือนกอต้องเหต้องสดใสนะ <c oughs> อะไรก็จะไปตัวอะไร ถ้าเราอยู่ตรงนี้ปัจจุบันมันดีปัจจุบันมันดีอนาคมันก็ดีที่ที่บอกว่าสุดแล้วมันจะรู้เองมันจะรู้เองมันรู้ทางทางในใช่ไม่ใช้รู้ทางโลกใช่ไหมโลกเราต้องไปเรียนรู้เขาด่าเราคอนโเขาปิดคอนโดมันจะตายในโลกมันจะเก็บให้ได้โผล่คอนโดเราเกี่ยวต้องถูทุกอย่างเป็นไปรู้หมดทุกอย่างแต่ว่าใจของเรามันไม่เป็นอะไรแบบอะไร ส่วนนี้ที่มันสําคัญไม่ใช่ว่าเราเก่งแล้วโลกจะต้องเชื่อฟังได้ไม่เสมอไปแต่ว่าเราเนี่ยแน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดที่สุดเไม่ใช่ว่าโอ้อฉันทําทดีแล้วทําไมมันไม่ได้ดีอะไรที่มันได้ดีมันน่าจะได้หรือไม่ก็ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นเราทําประก็เป็นเรื่องของลูากจะไม่เชื่อฟังลูกจะเชยได้ก็ตามเป็นเรื่องของเขาเน้องก็ไม่ไม่อะไร ก็ไลยกังวดแล้วก็สอนเขาอยู่ดีๆแล้ว ก, ก็เป็นทุกข์ก็แค่แโดยสติโดยปัญญาใช่สติปัญญามาแล้วก็ถามดีๆว่าจากไหโลกไม่ใช่โดดเล้่อนไม่ใช่หน้าโบน่ามือใส่เขาโบกเอื้อเฟเราปัญหาตัวเราไม่เป็นไรเพราะนั้นตัวที่แน่นอนที่สุดคือตัวลราเป็นปัจจิตตังตัวเราเองส่วนเรื่องอื่นก็ยังเป็นเดิมมันแหละ โลมันเจริญกับเจริญมันเองโลมันจะดีกับมันมันจะดีกับมันเองนะแต่เรานี่แน่นอนเลยเปลี่ยนได้เยอะๆเลยเปลี่ยนได้เลยยมยังเปลี่ยนไม่ได้กินความกลัวว่าไม่กลัวแต่ว่าน้องอหอ้อยากิงประเมอย่าทิ้งอย่เประเมอย่าพึ่งประเมิยอย่าพึ่งไปเอาอะไรุ่มแม่เป็นยอย่าคนวณจะไม่ได้เลยเลยฉันไม่มีอะไรเปลี่ยนงรเล กลองกลัวนี่ให้มันกลัวมันจะกลัวมันจะไม่กลัวเพราะกลกลัวแล้วพ่อขอโแล้วเราพ่อจะเพิ่มเรื่องความกลัวของพ่อปวดใหม่ๆเรียกว่าหลวงพ่อเทียนก็เขาเอาค้าวัมภีเขามาฝังฝังไกลหมู่นะอนที่เขาจะฝังมันมันไม่ไหม้สิเขาคอยๆจะรูเรื่อยแขนเขาด้วยนะสี่สี่แทนนะจำ ม, ม, มั่นด้วย เ, เืออย่างดีเลยนะว่าทำหีศพตารวจก็ไปขอลงเลื่อาไม้นี่มาทหบพเราะว่าศพนี่ไม่มีอะเป็นมะเรงภาพจริงตรวจเลยขอไม้หลเหททื่อย่แนหญ่มาทีวง่อคิดอยากได้นะพ <c oughs> <c oughs> อจะไม่กนอยู่ภากไม้ไทยนะกันตีนะเออสีแผ่นนี้ก็มากาดปติทินลังนี้เลยอขอตอนที่เขาจะเอาหลง งงก็ขออะไรนะเขาบอกเาได้แต่ก็าต้แก่แกก็แก่้พจะช่วยแก่ก็ช่วยเขาพอแก่สองทมีคนเน่านะคนตายังสองสมวันเหม็แล้วก็หลวงพ่ก็เอาขอกระดาเนี่ยแช่น้าเป็นเดือนนะตนน้นเพราะแช่น้เป็นเดือนแลชน้เป็นเดือนนซึมเข้าไปใ มันน่ามัมนแค่นาเป็นเดือนก็เอามาแปชื่อแปลงมาขัดคอขดแอีเป็นเดือนเอามาปูนอนเมาปูนอนพอรีลืรู้ผลมาเนี่ยมันเชื่อนใช่ไหมสติก็ดำดับมันเชื่อนก็นอนแล้ก็มีกลิ่นเหนได้มีกลินเนคิดเห็นกลินเหม็นเวลาเราคิดเห็นศพที่เราอาสาเทจะไปท ก็คิดเห็นสดแลก็มันก็นอนเวลามันเห็นไปคิดถึงสดพอนอนลงเห็นก็คิดถึงสดพอเดี๋ยวผมหลับหลับไปกับความคิดกระเทนน่ะก็ฝันไป่วนใหม่ยังไม่โูอะไรเลยนะฝันว่าสนั่นเหมือนกับที่เราพ่อเห็น่ริงๆม้าเหมืม้าใตาเหลือขลมแตข เหม็นพอหลวงพ่อฝันไปเห็นศพก็เหม็นกันดียอเหม็นไม่เหม็นในใจศพมันรี๊งมาหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อเขาคือคาถาดีอริกรรมคาถาศพต้งพอหยุดบริกรรมกาถาศพต้องบงเข้ามาสู้กันอยู่นี่ในในฝันนะหลวงพ่อเป็นหมอคาถาพอดีตื่นขึ้นมาแบบตื่นขึ้นมาก็พอยังหนึ่งลุกขึ้นมาลมาเอา ข่ามติดอ่ะมันเรื <damned. S 1> ่องอะไรมันเรื่องอะไรมาคิดว่าโอ้เราขอนอนมาคิดเรื่องหนื่อยโดยควกอก็เกิดอนเรื่องนื่ไม่ใช่เรืยมนมาเรื่สร้างกัล้วอยสร้างกันแวเลยตวนเพน้นหายใจเลยเลยไม่กลัวตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพาว่ากลัวอะไรทุกอย่างกวาความกลัว สร้างให้ร้องพ่อไม่กลัวว่าขนาดนั่นถ้ามันเน้นเนี่ยถ้าไม่ดูดูโอ้พี่หลอกอาจะกระโดดกระติ๊งยิ่งเลยไปอาจจะกลัวพ่อมาสร้างจาังหวะความรู้สึกตัวงไไวคือให้ให้สิ่งที่มาเราก็เจอเนี่ยมาเป็นกรรมฐานเราแล้วเราจะไปคิดว่าผีหล อ, อกใช่ไหมม <c oughs> ันไม่ใช่เพราะตัวเองคิดไปปัญหาการปงแต่งตัวการปรงแต่งตัวเองคิดไปปัญหา แล้วก็เกิดได้ไมเป็นเหม็นจริงๆกนมาเอ้นี่หรวงพมาลูกแล้วนะีอเขาคนนีม้มีสถีจะกลัวไม่ว่าผีกันหมดผีแก่ผีตายหงเลยปกติหลวงพ่อก็ไม่ไปแต่ปูนสองพตานื้อถนัดเข้านั่งเขากระดานเีียมาตด ข, ข, ข, ข, ข้าปูอืไม่เลความกลัวแท้ๆทา ง, าขงเขาไม่เปิดบันเิดครอกจ ความทุกข์ก็ทําให้เราทุกข์นได้อะไรที่มันข้างคาใจเราหวังเต่มันผลุกผลไป็นก็ได้อย่าไปแกะปไปอะไรก็ใช่ความคิดใช่สมองโลกไป ม, มาบ้านก็ใช่สมองโลกมาบ้านก็ใช่สมองให้สมองไในเปลี่ยนดูเปลี่ยนร้ายต้องมีสติสมองในใช่ไม่ได้เหตุผลใช่ไม่ได้นะโลกมาเสร็จยังค่อยจะนอนหลับโลกไม่มานอนไม่หลับสองท่านนอน อันนีคนคิดใช่ไมะแต่จริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เอย่างนั้นจริงๆอันนั้นเหตุผลเนี่ยเหตุผลมันไม่เป็นธรรมะราทีอาจจะโกรธจัดเรื่อนกับะเ้าะกับลูกทะเลากับครอบครัวไก็มีเหตุม่ผลเอาทําไม่เป็นหรอกมันไม่มาก็จะทํเพราะไม่มาแล้วก็ต้งใจเอาธรรมไปว่ามันมากล้มาเป็นมาแล้วให้น ต้องทำตัวนี้นะอย่าไปเอาอื่นมากําหนดใจตนะ้องทำความรู้สึกตัวเออทำควรู้สึกตัวหรือนี่เราไปเอาคำอันอื่นสิ่งอื่นมากำหนดกิจใจเราไงในโลกนี้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเรามาทำตัวนี้เป็นเรื่องตัวตความรู้สึกตัวมันเป็นหลักของเราการสร้างตัวนี้อย่าหลุดเกิแเม่หลุดก็กลับมาหลุดเพื่อกลับมาตึงเพื่อจะหย่อนหย่อนเพื่อจะตึง ไ่ใช่ย่อนเลยย่อนไปว่ากระดับแล้วตึงขนาดนี้คิดไปดยมันเปอะไรเนาะอาจได้นะเพื่อนเขาลองโทรไปดูซิย่อนคุจะต่ตึงใช่่อนลูกชายที่เอามาลูกชายที่โยมเอามาคนีเ่เนี่ยจเนลูกชายเลยเนี่ยอ่าลูกชายโอ้งับเนาะตวเขาเคยเป็นอน้่ารักมาก เขามีแผลในใจที่แม่ไม่หนูฮะแม่ไม่รู้พ่อตีพ่อตีด้วยเหล็กตีด้วยลายแล้วเขาไม่ชอบพ่อเลยเขาเกลียดพ่อมากมากไม่เป็นไรทีนี้เขาก็ไปบวชบวชแล้วเกลียดวัดไปเลยหลวงพ่อเกลียดวัดไปเกลียดวัดนปย่ยอมมานี่พ่อหนังสือตาวิเศษหลวงพ่อนะลงให้หนังสือไปแล้วเขาไปขีดข้างหลังบอนเนี่ยหลวงพ่อพูดอย่างนี้อย่างนี้ย ไปอ่านดูแลจะมาไม่มาตัดสินใจเองอืเขายอมมาเขาเขาเรียนอยู่จุฬานะพ่อเรียนเรียนอยู่ตั้นเอิก็เรียนเดิมเรียนก็เรียนฟุตซายอยู่จุฬาเก็นความความที่เขาเกียดพ่อมาเ้าหนีเรียนปีสามเขาหนีเรียนแล้วก็บอกว่าไม่จบไม่จบเลยไม่จบเขาเขาทิ้งเลย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 จุดอย่างเดียวคือต้องการหนีพ่อเกลียดพ่อมคนในเลานคนในก่มมหาลูกพหลายคนคนตุ้มเลยนะเกลียดเกลียดแม่เหรคะเกลียดแม่มากๆลคุณตุ้มคุณต้มเห็นแล้วไม่เห็นไม่ใช่คนตุ้มไม่ใช่คนตุ้มเละอีกคนคนหนึ่งคนตุ้มคิดเล่าคิดเล่าคิดซเกลียดแม่ตก็อีกคนนึงก็ทำหมดเนี่ย พอมดเนี่ยก็พ่อแม่ทิ้งทะเลาะทเลาเ ล, าเลเปนปมด้อยเป็ mm hmm. นเรื่องอะไรเนี่ยนะเอาถนะถปฏิบัติธรรมจะมีเรื่องอะไรมาจากคนดีทั้งนะั้นนาะยงก็พยายามจะแก้เขาไม่อยากให้เขาเป็นวิบากการรมติดไอยากให้เขาอาภายาัยพ่ออยากให้เขาดีกับพ่อแต่เขาก็ เกลียดแขนพูดไม่ได้พูดทีไรก็เกลียดแขนแต่หนูว่าลึกๆเขาล้างพ่อแหละเพราะเขายังพูดแบบว่าทําไมพ่อเขาไม่เป็นอย่างพ่อคนอื่นรู้ว่าเขารักพ่อนะแต่ว่าความความกลัวเขาอะเขเลยกลายเไม่ได้เกลียดพ่อเนี่ยไม่ได้เกลียดแต่พ่อลูกชายทั้งลูกสาลูกชายเกลียดพ่อทั้งคู่เขาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็บอกว่ามันไม่ก็เหมือนกันเลยเป็นเกลียดพ่อพ่อเป็นไง แล้วพ่อเขาเห็นเกตตัวพ่อเห็นเกตตัวพ่อทำร้ายครอบครัวพ่อยกสมบัติให้ทางบ้านหมดเลยนี่ทำมาเยอะแยะๆก็ขนสมบัติให้กันงทั้งบ้านก็ไม่ให้ลูกเลยไม่ให้ลูกไม่ให้เนรมดาไมคิดอะจะองไม่ให้เลยทำรายครอบครัวแรงมากเลยเพนี้เยะคนอนมันจะไปโกอ่ะโกรธเแต่เราพ่อจตุทนะ อมิโตทโตโทโนาปัิตานตาเป็นเป็นโลกของพระเจ้าเสีโนใช่ไหะพระเจ้าจินพิสานมพระเจ้าเสียโนนี่้พระเจ้าเสีโนเนี่ยใเสีของที่ได้เป็นโทโทนาโกโทโนาปัญตานิต่ะให้พกับแม่เนี่ยตายไปพระเจ้าเสียโนก็ได้ภริยามได้ลูกได้ลูก รักลู κ, ล ก, ลกระะวกวักลูกคนนี้มากที่นี่พระแม่เสมาเลยว่าพระเจ้าเสนโหรักลูกคนนี้มากที่เกิดสัมพันธ์ระยะใหม่มกเลยอราแมเ่เสม่เลยขอโอกาสโชยโอกาสว่าพระพระพี่เจ้าเน่ยรักคนนี้ลูกคนนี้มากรักมากเนื่นนะองขอสมบัติทั้งหมดให้ลูกคนนี้ได้ไนะหมพระเจ้าเสนาโหรกสมบัติให้ลูกคน น, นี้ให้ลูกคนเดียอะ สุดตัวธนากลัต <left for Diamond Hai> ัวทนาไม่ตัวธนาไม่ได้เลยไม่ไดก็เลยพ่อก็พูดเอาความจริงไงมันได้พูดไปแล้วกต่สัตว์ได่พูดไปแล้วมันต้องเป้นไนได้หลั่นพระาจาไปแล้วขอให้ลูกพากันไปหาที่มาสุดตัวทนากลัตัวธนามีตัวทนาเลยผ่าหนีจากข้าราชการไปไปอดแร่งมาลอดรามมามาถึง กบินระพัดที่อยู่ของกบินระดับมาตั้งเมืองนะไม่ไม่เป็นหรเรื่องอย่างนี้ไม่เป็นไรอย่าไปเสียใจแต่อนโลกนะมัมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเสียใจเสียใจจนจนเกือบบ้าเลยสียใจโยมเสียใจจนเกือบบ้าเราบอกทำมาไม่ตอะไรซื้อสัก์พักดีแล้วเขายังทรยศอุ้เยแค่ไหน ถ้าเราชนถ้ากนี้ได้เราจะเป็นบาลเมฆภาษาอะไรบอกแล้วต้อขอบคุณเ้าที่ทาให้เขามามาปฏิบัติธรรมได้ีายดากเลยอย่าไปเครียดแทนอย่าไปทาไมทำไมทำไมถ้าทำไมทำไมอยู่อย่างนั้นแหมมันจะลงโทษตัวเราใช่ไมทำไมทำไมอย่างนั้นจะลงโทษเราทําทำไมเพราะว่าทำไมเราจะเป็นโจทย์ข้องตัวเราจะเป็นจำเลยเสมอเป็นทาส พูดกับเขาหลวงพ่อหร<ะ>ือว่าพูดกับเขาหลวงพ่ออยู่พูดกับจังบ่ผู้หญิงที่พักดีซื่อสัตย์จงรับพักดีทรรมากินอย่างเนี้ยทำไมถึงรังแกเดาคนเนี่ยมีทีเถื่อนเขาเจอจังทีกว่าบันติดคนพาดมีอะไรเขาไม่ได้เป็น เพน้องกันก็ยังสามีภัญญากันพ่อกับลูกกันงี้ต้องต้อไปนะแต่เราไม่ใช่ความผิดของเราใช่มของของเราไม่มีเลยให้เราภูมิใจกับเราเนี่ยอยากให้ต้องภูมจสอนลูกเถอะนะสอนลูกให้เขาได้มีความเข้มแน่ไนมาแต่วันนี้ก็ดีแล้วพราะ ไม่เคยได้รับอโาหลบจากพ่อจากแม่เลยก็ย <c oughs> ังอยู่อย่างนี้่หลพ่อหนึ่ที่สุดจนที่สุดได้หลบไม่ได้อะไรนะไม่ได <c oughs> ้โมพไม่จนอริยะทรัพย์ไม่ได้พระรา <c oughs> หุนน <c oughs> น่นนะพระามจึพาพาพระามหุ่นมาขอสมบัติ <c oughs> ตรพเจ้ก็บอกว่าอันมั้นไม่สมบัติบอกเขาก็ สารดิบทคนผมเรานี่คือสมบัติบผมเราหูในโบเลยนะไม่ใช่สมบัติไอ้สมบัติที่ทำไว้ไม่ใช่สมบัติสบัติบฟังภาษสาริทชัดันน้ไม่ใช่ับบอกสารดิบทสารดิบโบ้คนผมเราไม่นี่บัติก็พยายามอยู่ค่ะแล้วพอดีเขายอมมานี่ อีกแล้อ่านหนังสือของหลวงพ่อเวลาทานเช้าจะทานแค่ด้วยกันแล้วขีดเส้นถ้าให้เขาต้องั้งเล่นเขาไม่เอาหรอกเขาไม่อ่านแน่นอนขีดเส้นต้องทำแม่ก็จะช่วยเขาช่วยเขาแม่ต้องช่วยเขาทั้งตัวก็บอกทําแม่ให้เก่งแล้วจะแล้วก็ช่วยลูกได้อเขาคีดแยงมากหลวงพ่อเขาไม่เรียกพ่อเขาเรียกไหนเขาทำไปทำไปหน่อยเขารู้เขี้แยงกย่างมากแต่ว่าไม่อภัย เขาไ่ได้ไเขาจะทำงานอย่า ง, งคนคนต้มคนต้มเท่เท่เาไหร่เขากินเล่าพคนไหนเขาเครียดแค้นแม่มากเนเล่าพอดีเขามาทิ้งเล่าเขาเข้ามาอยู่กับน้ อ, องเขาเลิกเป็นเล่าเขาก็เสียใจที่คิดอะไรไม่ดีกับแม่มากมากเป็นตเวลาสามสิบสี่สิบปีเนี่ย เขาก็เลยว่าเขาเป็นบากเขาเิดอะไรก็ไม่ดีกันไงเขาก็เลยเขาก็คิดเรื่องบาปกันที่ทำไม่ดีกันแต่ก่อนเขาคิดเรื่องชั่วตอนนีคิดเรื่องบาปเขาทก็แไ่เขาเลยเลิกกินแล้วเป็นตุนหนังสือล่าก็ดีขึ้นนี่ครับก็ดีขึ้นประมาณหกเดือนเป็นคนกรุงเทพนะมาอยู่กับลุงพ่อให้อยู่ซาลาชันบน ข้เยี่ยวลงมาใส่เมล่อมมาไม่ล่เล่าหลอก็ต้องเช็ดขี้ให้ขี้ขี้วันซราชันวนน่ะบอกพระไปเยนเช็ดให้พระไม่ก้าผพ่อจะผม่ไม่กลัวอะไรขี้แเน่ยเพาเช็ดหนเช็ดหลงตีวพอเช็ดแล้วเสร็จป่าจะก็พ่จะเช็ดสักผ้า หลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้ว่าเขาจะเป็นบาปหลวงพรู้เขาไม่รู้ขลงพ่อให้ให้ให้อโหสิให้เขาตลอดไมเรียกว่ากลเมียที่ให้เงนไม่ได้จริงอโหสิให้เขาตลเยเขาไม่รู้คนไม่รู้เราต้องช่วยเขาอย่างลูกชายเนี่ยโยมต่ต้องช่วยยังไงก็ีก็ต้อง นักแม่เพราะเป็นแน่นะแต่แต่วันแบบแม่จะงมีหรอกพ่อไปพ่อเจ้าจะไปนั้นแต่แม่ยังมีลูกก็มีหรอกเมาช่วยกันทวกเราแต่ตัวเด็กต้องเชื่อมันกันนะของเราเนานะแม่ยังมีอยู่แมเป็นแม่ของโลกเราต้องเชื่ยกันแต่โลกต้องเชื่อกันในเราตอนนี้เอาเธอพ่อของเจ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องช่วยกันระหว่าแม่ เขาเขาเป็นคนเก็บตัวตลอดเขาเก็ตัวมากแล้วเขาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อถามว่าเขาอยู่เออแบบว่าเคยอยู่อย่างนี้ไหมก็บอกเขาอยู่คนเดียวตลอดเขาเก็บตัวแล้วแล้วเขาคิดอะไรเราเขาไม่ยอมพูดให้ใครฟังเขาจะไม่พูดให้ใครฟัเจะเก็บตัวแล้วก็จะสร้างกาแพงก็บอกเนี่ย จุลาเดี๋ยวี้เธอก็ไม่เดินผ่านจุลานั่งรถก็ไม่ยอมผ่านต้องรีเรี่ยงไปเพราะเธอสร้างกำแพงจิตเธอแล้วกั้นเป็นบทที่ยากดีนะ่ะโอ้พวกก็ากต้องเพิ่มพลังบนางนะากาเป็าอะไรยากไ้แสดงทกความพวกอยากได้เิ่ตกังวลเลยนะเด็กพ่อแม่ก็ทุกเขายิ่งทุกข์เไม่ใช่แทุกเขายิงทุกข์เลค่ะเขาทุกมากตอนแแม่ไม่ทุกนะตอนช่วงที่แม่ทุกเนี่ย เขาเป็นคนมาดูแลแม่ช่วยเขาแต่ตอนนี้พอแม่แข็งแรงนะเขาเขาก็เขาเเขาก็แย่ากไป หาคำตอบจะไปอะไรอะไ้ไหมก็วิตกกังวลลูกด้วยแหละเออมันหลายเรื่องว่าพ่อกันรับไม่หวานไม่ไหวแต่ละเรื่องโอทุกคนในโลกนี่ไม่เคยจะทอโยมหรอกทุกคนในโลกนี่พระพุทธเจ้าวันนี้มาโปรดหนึ่งทีเราผมเกิดได้เจ็ดวันพินพาก็ยังอ่อนอยู่ไม่มีใครดูแลขอร้องเถอะพระพี่เจ้าอย่าไปเถอะให้ หอนฉันแด ง, งหน่อยไปแล้วก็ต้องคิดใช่ไหมเต็มพาะราหุนกระดสามเโด้พัดสินแสดงการที่เจ้าจะกระพัดโอ้ยเย้ยไปหมดเลยไม่มีใครที่จะสาบมาหมดหรอกมิถัที่ย่งเราไม่เดินตัวกบลต้องลงางมาสนามแวกมาได้อีกปวดชนกันนะก็โยมนี่พยายามสุดเพื่อให้เขารู้ว่าตัวเองเนี่ยไปได้เมื่อตัวเองจิตปกติ คิดว่าตัวเองพาชีวิตของลูกอีกสองคนไปได้แต่เนื่องจากโยมอ่อนแอจริงๆมันเลยวิ่งมาหามนต์เป็นเพื่อมวลช่วยจริงไม่ได้มวลเป็นีเขาเป็นคนดีมากๆก็แบบโยมคบคนถูกแบบดีมากเป็นเพื่อนเรียนด้วยกัน20กว่าปีไม่ได้เจอแต่งงานพอทุกถึงแบบโยมฉันไม่ไหวแล้วเธอช่วยฉันทีโอ้โหเรื ดีเี่ดีมากเเออมรนาอ่หลวงพ่อขอเป็นเพื่อนคนหนึ่งนะถ้ามีทุกข์มาเลยที่นี่นะอย่มาพูดให้หลวงพ่อความเสื่องทุกทเนยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เกินก็อทุกหลวงพ่อได้ทุกแค่ไนหลวงพ่อมันทุกแฝสาสขันเน่ยไม่เคยกินข้าวกเลยทุกซาหรอครับันทุกเื่อนี่มันทุกแฝก เราไม่ได้คิดอ่ะมันทุกข์เพรคนอื่นไปเถอคนเดื่นไม่ยรู้ต้องทาใจเราเองที่คนเดือดร้อนเนี่ยกำลังทำใจเนี่ยพยายามที่สุดเลยดีดีดีเพื่อจะเราไม่บกหล้องความทุกข์กับเภทินนี่ไม่ใช่เราบกหล้องถ้าเราบกห้องอ่ะมันมันทุกทุกทุกที่เถอะทุกคนอื่นทําให้เราทำไม่ได้ไม่ได้เสียหาย ทนให้แกอะไรห้ทุกคนแก่ถ้าเราได้ไปฆ่าพ่อฆ่าแ<โ>ม<ย>่ไปปิดศีลกี่ดำเอออันนี้เนี่ยโอ้สหัสนนยหลหุขนุกกําลังทุกแบบนี่ยมันเป็นละหุ ก, กเบาบางก็คิดว่าถ้าเดินอย่างเงี้ยเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะหลุดหมเนี่ยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆ อ, อย่าไปหาคำตอบอย่าไปประเมิน มันมึนก็เห็นมันมึนความมืนไม่ใช่เรื่องของเราไม่ต้องไปไฝ่ฟ้าหามันไม่ตื่นไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไย่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไง่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่นม่ไม่ไมไป่ไม่ไม่ไม่ไม่นจ่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่นไม่ไ่ไม่่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่่ ไม่ต okay. ah, no. <so ่ัไปเฉยๆไรม่รู In ้ตัวอีมไม่คิดก็รู้มันคิดมันไม่คิดก็อางนี้มคิดก็รู้คิดแต่คิดบางทีบางทีพอจะทาอะไรรงไปกำหนดจุดทดอกไม่หมดนเดเิทมองเรื่อมองตูะใช่ไม่ไม่ทำาี้ไปเรื่อกเยไปกหนดองนี้ยางเวลาอีกศัลลอีกศัลักษณ์ แต่ทุกทีเดินเคยตัวเวลาเดินนจะรู้ล่อพอลุนล่อมจะกันเดี๋ยวสองลทำมือเดี๋ยวง่อทจกด้ะหอกไมำนดมันไม่ต้องเลยไม่ต้องไม่ต้องเลยแล้วก็เคยลรจอเดินจากสลาไก่ไปวัดธูปทองพอได้ล่อพอได้ล่อเก้าหักวไว้พอได้สองหัน้วที่สองพอได้สาม่อหั้วที่สามเจ่ล่อห้าล่อเราไท้า ต่อมาการต้นใหม่ทำใหม่ห้าพันสามร้อยครับเขาจะทำนั่นก็ได้แต่ว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ปล่อยให้ว่างว่างไปนี่เท่าไหร่ก็เท่านั้นมันตลาดกว่ามันเป็นธรรมชาติกว่าอ่าห่างนะไปประเมินเดี๋ยวไปดีดีดีดีมากดีมากอ่า ดูไมได้หลักหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่ามนเป็นที่ทุกอย่างดีทุกหรือไม่เอทุกหรือไม่เอจะมาเอาอะไรมีทุกกะไม่ทุกเท่านั้นเองแดังนั้นหนูก็ตามสบายเลยไม่ทุกกะไม่ไม่ทุกเท่านั้นเองถ้าเป็เหตุและผลเกินนั่นนะใช่ลูกจะมามันก็เท่านั้นหลังมันจะมามานอย่าให้มันเกินมั่นบอดีเราคิดเกินส่วนเกินเป็นส่วนเกินเนี่ยมัน <c oughs> แต่ทีนี้ใส่นักวางดีแผนีคเป็นน <c oughs> ักวางแผนทำอุตสาหกรรมทาของส่งนอก <c oughs>